ซึ่งธรรมะที่สงบทุกขนั้นน่ะตาเป็นสังคตะธรรมสีเป็นสังคตะธรรมจกักขวิญญาณภาษาเวทนาทั้งหลายเป็นสังคตะธรรมพระนิพพานเป็นธรรมที่ดับสังคตะเหล่านี้พระธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นอสังคตะธรรมเนี่ยนะและพระนิพพานที่ดับสิ่งเหล่านี้ไม่เคยเสียหายเนี่ยนะจักไม่เสียหายและถ้าตรัสรู้แล้วเนี่ยนะมันสิ่งมันจะไม่เป็นที่ตั้งแห่งอาสะวะอีกต่อไป การมีตาแต่ตาที่เห็นเนี่ยสมมุติถ้าพิจารณาจนเห็นอริยสัจแล้วนะมีตาก็จะไม่เจริญกามาสวะภวาสวะทิฏฐาสวะและอวิชชาสวะเพราะตรัสรูพ้พระนิพพานเป็นธรรมที่ดับอาสวะและอันนี้ก็เป็นความจริงพระพุทธเจ้ามองความมองความจริงเนี่ยสีด้านความจริงคือทุกขความจริงคืออันนความจริงตาคือทุกความจริงคือเหตุให้เกิดตาเนี่ยแหละคือเหตุให้เกิด ทกความจริงคือความดับตานั่นแหละเป็นเป็นธรรมที่ดับทุกขและความจริงคือข้อปฏิบัติเพื่อกําหนดรู้ทุกขละเหตุให้เกิดทุกให้ตรัสรู้ธรรมที่ก้าวล่วงทุกเนี่ยนะพระองค์เนี่ยมองสีด้านมองเป็นอริยสัจสี่ทีนี้ในบรรดาอริยสัจสีเนี่ยมกขศัตร์ก็มาแบ่งอีกว่าการเจริญคุณธรรมเพื่อแทงตลอดอริยสัจถ้าคุณเจริญอย่างนี้คุณเสื่อมนะถ้าคุณเจริญได้อย่างนี้คุณดํารงอยู่ถ้าคุณเจริญได้อย่างนี้คุณพิเศษยิ่งยิ่งขึ้นไป อั น, นอยู่ในฝ่ายเสื่อมนะถ้าคุณเจริญแบบนี้มันจะเสื่อมนะถ้าคุณต้องทําอย่างนี้สิ่งมันจะเจริญขึ้นการคุณธรรมอื่นๆนั้นมีอุปการะมากต่อการเห็นแบบนี้สิ่งเหล่านี้มันทําให้เกิดขึ้นได้โดยยากพระองค์ก็วิจัยเลือกเฟ้นเห็นธรรมเหล่านั้นได้เนี่ยนะก็เลยเรียกว่าเป็นธรรมที่เห็นได้ยากอย่างยิ่งแต่ก็ถ้าตรัสรู้แล้วก็สิ้นสิ้นตันหาตันหาที่เปรียบเหมือนนี่ เทวานตาเนี่ยมันเหมือนกับทวา น, นี่คนเนี่ยบางทีไม่รู้จ่ายไปเท่าไหร่เพื่อต่อเท่าไหร่เพื่อจะเห็นนะจ่ายแพงเงี้เพื่อที่จะเห็นภาพบางภาพเนี่ยจ่ายด้วยชีวิตเลยนะอาจจะไปแล้วไม่ได้ดูแล้วก็ตายอาดูเสร็จแล้วก็ตายเลยก็มีเนี่ยนะไปเพื่อจะดูนั่นแหละก็เรียกว่าตามไปดูพอดูเสร็จก็ตายบ้งไม่ทันได้ดูก็ตายเป็นต้นบ้างได้จ่ายด้วยชีวิตเนี่ยมันก็แพงสุดๆแล้วบางทีก็จ่ายด้วยแก้วแว่นเงินทองจ่ายด้วยสารพัดอย่างเนี่ยนะแต่ว่า ถ้าตรัสรู้ธรรมนี่แล้ดับตัณหาได้การมีตานี่ยก็เรียกว่ามีทุกข์เนี่ยนะหมายน้้ำตาไหลเนี่ยนะปวดตาเป็นต้นแล้วถ้าตรัสรู้ธรรมเหล่านี้แล้วก็เป็นธรรมที่ดับทุกข์แล้วก็สงบทุกข์ได้เนี่ยนะซึ่งพระองค์วิจัยเลือกสรรคัดสรรพิจารณาเห็นธรรมที่ดับทุกข์เป็นธรรมที่สงบทุกข์เนี่ยนะอันพระธรรมของพระองค์นั้นจึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงด้วย เป็นธรรมที่จริงแท้ไม่เปลี่ยนแปลงแล้วก็ทำให้สามถ้าเจริญตามนั้นตรัสรู้ธรรมนั้นก็สงบความเร่าร้อนเป็นธรรมที่ละเอียดแล้วก็เห็นได้ยากอย่างยิ่งถ้าไม่ทำบุญมาจริงๆไม่ตั้งความปรารถนามาเนี่ยยากที่จะเห็นถ้าไม่ทำบุญตั้งความปรารถนามาระดับหนึ่งอย่าว่าเห็นเลยฟังมันยังไม่อยากฟังเลยนะแม้แต่ได้ยินบอกโอยพูดอะไรก็ไม่รู้ฟังเข้าใจยากเนะี่ยนะโอยพอแล้วพปิดปิ ด, ดอะไรเงี้ยนะ เมื่อไรจะเลิกสักทีดูนาฬิกาเมื่อไรจะหมดเวลาสักทีเป็นต้นแต่ก็อย่างว่านะพระนิธรรมอันนี้เนี่ยถ้าไม่สั่งสมบุญมาระดับหนึ่งจริงๆก็ยากที่จะรู้ตามยากที่จะเห็นตามแล้วก็ยากที่จะคิดตามเพราะมันคือมันไม่ได้เกื้อกูลตันหาเนี่ยนะก็บอกว่าอะไรก็ตามถ้าไม่ค่อยเกื้อกูลตันหานนะสัตว์ทั้งหลายจะไม่ค่อยเอาแต่ถ้าสิ่งใดเกื้อกูลต่อตันหาเนี่ยก็อย่างที่ว่าของถูกของแพงวัดกันที่ไหน อะไรถ้าตันหามันบอกดีกูอันนั้นแพงเนี่ยนะแต่ถ้าปัญญาบอกดีอาจจะไม่ค่อยแพงให้ฟรีก็ไม่เอาเนี่ยเช่นหนังสือธรรมะเนี่ยนะรับรับรับไปงั้นน่ยนะที่รับเนี่ยเพราะรูปเล่มมันสวยมีภาพพระพุทธ ร, รูปสวยๆเป็นต้นก็แค่นี้ส่วนไอ้ที่ว่าจะอ่านเป็นต้นหรือไม่เนี่ย อ, อีกเรื่องหนึ่งนะนั้นอันนี้ก็เป็นเพราะอะไรเพราะว่าปัญญาไม่ค่อยมากไงนะปัญญาไม่มากนั้น ทำยังไงที่จะเจริญคุณธรรมมันต้องตั้งความปรารถนาที่จะเจริญคุณธรรมสมาทานคุณธรรมบ่อยๆเนี่ยนะอย่างสมาทานสัลเลกธรรมบ่อยๆว่าชนเราอื่นเขาจักมีมิจฉาทิฐิแต่เราต้องมีสัมมาทิฐิคนเราอื่นมีความรู้ผิดแต่เราต้องมีความรู้ถูกคนอื่นถือเอาแต่ความเห็นของตัวเองเราต้อง สละไอความเห็นของตัวเองแล้วเห็นให้มันตามความเป็นจริงเห็นตามคําสอนให้ได้เนี่ยนะจะต้องพยายามที่จะคน้นคิดใคร่ครวญตามคําสอนมันเป็นเรื่องของการอธิษฐานจิตตั้งจิตสมาทานเนี่ยนะสมมติว่าอย่างคนที่เขาปฏิบัติอย่างโดยเฉพาะสมัยก่อนเนี่ยที่เขาเรียนไม่มากเนี่ยนะเขาไม่มีความรู้ด้านปริยัตมากๆากเาจะสังเกตว่าสภาพจิตตอนเนี่ยมันหดหู่ท้อเทะต้องเจริญอะไรเขาเขา้าใจเลยเออถ้าจิตแบบนี้นะเขาต้องคิดยังไง ตอนนี้มันชักเหิมเกรอมเอาใหญ่แล้วนะมันชักเอาใหญ่แล้วพุ่งสร้างพล่านไปหมดแล้วนะแล้วเจริญยังไงเออนี่มันเป็นไปด้วยดีๆแล้วประคับประคองอยังไงแล้วทำยังไงให้คุณภาพจิตมันสูงขึ้นสูงขึ้นเออนี่มันฟุ้งมันหลายเรื่องแล้วนะแล้วทําไงให้มันเป็นเรื่องเดียวกลุ่มเดียวเขาตกแต่งจิตเนี่ยนะตกแต่งจิตจน จ, น จ, นจิตนั้นจากโลปริตตะเป็นมหคตะเป็นอปปมาณนะจากโลกิยะจิตเป็นโลกุตระจิตเขาก็ตกแต่งอย่างเงี้ยบางทีเขาไม่ได้เรียนมาก เขาฟังธรรมว่าเธอจงละสิ่งนี้เธอจงคิดเธอจงคิดอย่างนี้อยากคิดอย่างนี้เธอจงละสิ่งนี้จงเข้าถึงสิ่งนี้เขาคิดตามเขาก็บรรลุแล้วเนี่ยนะเพราะเพราะเขาเขาจับสาระของเรื่องเป็นอย่างทวารตาเมื่อเราลืมตาปั๊บอยากคิดอย่างนี้นะคิดอย่างนี้เขาเข้าใจเลยเออเมื่อลืมตาปั๊บเนี่ยคิดอย่างนี้อย่างนี้อยากคิดเธอจงละสิ่งนี้เธอจงเข้าถึงสิ่งนี้คิดคิดแค่ตาเขาก็บรรลุกันแล้วเนี่ยนะ เพราะอะไรเพราะตาปัญญาเขาดีเพราะเขามีปัญญาที่จะไข่ค ร, ครวญตามที่จะเห็นตามนี้ของเราเองเนี่ยมันปัญหาว่ามันเคยคิดจะให้มีปัญญาบ้างหรือเปล่าเนี่ยนะอ้าฉันก็รู้ดีของฉันอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็อะไรนะหรือบางทีแบบเสนออนุรักษ์นิยมบอกก็เรามันปุถุชนเนี่ยนะก็เลยอนุรักษ์ว่าเหมือนกับว่าขอเห็นแบบนี้ตลอดการแล้วก็ตลอดไปมันก็ต้องฝึกว่าเอ๊ะทำยังไงที่จะมีปัญญาขึ้นในในทุกทวาร อย่างคนสมัยก่อนเนี่ยเขาเห็นเนี่ยเขาเขาเจริญศีลได้เลยที่เถเทมิธเออเธอพึงทําศึกษาว่าเมื่อเห็นจักเป็นประมาณว่าเห็นเมื่อเห็นปั๊บเขาเจริญศีลได้เลยเห็นเห็นยังไงเป็นศีลอะไรบั่งในโลกเนี่ยที่เห็นน่ยไม่เป็นที่ตั้งแห่งการล่วงศีลมีไหมที่ใดบั่งที่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งการทุศีลเนี่ยมีไหมยากเพราะฉะนั้นที่ใดอารมณ์ใดเป็นที่ตั้งแห่งความทุศีลอารมณ์เหล่านั้นก็เป็นที่ตั้งแห่ง กุศลศีลได้เมื่อสิ่งใดที่เป็นสะพานเชื่อมให้ทุศีลสิ่งนั้นก็ต่อให้เป็นการรักษาศีลขึ้นมาได้สิ่งการเห็นอะไรบ้างเห็นแล้วไม่ไม่โดยมากไม่เป็นที่ตั้งเห็นความฟุ้งซ่านมีไหมถ้าเห็นแล้วฟุ้งซ่านได้ก็เห็นแล้วต้องเจริญเป็นสมาธิได้เห็นแล้วโง่เขลาได้ก็ต้องเห็นแล้วเจริญปัญญาได้ก็ตรงกันข้ามเนี่ยนะสิ่งที่มันตรงกันข้ามกับโลภะเรียกว่าอะโลภะสิ่งที่ตรงกันข้ามกับโทสะเรียกว่า อโทสะสิ่งที่ตรงกันข้ามกับโมหะเรียกว่าอโมหะโลภะโทสะโมหะเป็นวัตตะเป็นเหตุให้ไปสู่ชรามรณะสิ่งที่ตรงกันข้ามเป็นปฏิปักษ์เป็นธรรมที่ดับโลภะโทสะโมหะอันนั้นเป็นวิวัตะเป็นข้อปฏิบัติเพื่อดับวัตตะเน้นการเข็นยังไงจึงเป็นการสร้างวัตตะแต่ก็พระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสรู้พระองค์จึงกําหนดว่าตาเป็นทุกขสัจจะ นะเพราะที่ที่ตาเป็นทุกขสัจะเพราะอะไรเพราะตาเนี่ยไม่เที่ยงเป็นไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งอาศัยการเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแป ร, ป ร, ป, รปรวนไปเป็นธรรมดาเนี่ยนะตาเนี่ยเป็นของร้อนร้อนเพราะอะไรร้อนเพราะไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะร้อนเพราะชาติชรามมรณะโสกปริเทวทุกขโทมนัตและอุปาญาตาเนี่ยร้อนเพราะเป็นที่ตั้งแห่งทุจริตด้วยกายวาจาแล่ ใจตาเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งทิฏฐิตานี่เป็นที่ตั้งแห่งตันหาเนี่ยนะเป็นทวารที่ให้ตันหาเนี่ยไหลท่วมทับเนี่ยนะตาเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งทิฏฐิทําให้ทิฏฐิเป็นที่หมักหมมหมักดองของกิเลสนพราะพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าตานี่เป็นเหมือนกับแผลกิเลสที่เกิดขึ้นในทวารตาก็เหมือนกับติดเชื้อเนี่ยนะก็ติดเชื้อก็เลยตาปัญญาอักเสบตลอดเลยเนี่ยนะ ตาเนื้อนี่แม่ตกแต่งก็ยอดสั้นเลยนะแต่ตาปัญญานี่อักเสบตลอดเลยเนะยก็เลยป่วยทางตาปัญญาเนี่ยนะตาเนี่ยก็เอาใหญ่เลยเนี่ยนะยิ่งอักเสบฝุ่นละอองก็เต็มไปหมดเนี่ยนะธุรีคือราคะก็เกลือกกลัว้วธุรีคือโทสะก็เกลือกกลัว้วธุลีคือโมหะก็เกลือกกลัว้วเป็นไวรัสชนิดเรืยกว่ามตลอดเลยนะติดเชื้อไปทุกทวารไปหมดนั้นพระองค์ตรัสสรุว่าเออเนี่ยมันมั น, ม, นมันเป็นทุกอย่างนี้นะ แล้วก็ตาก็ไม่ใช่ใครไม่ใช่ของใครการพูดว่าตาเป็นทุกขสัตร์เนี่ยนะอ่าเป็นการพูดของคนที่จะออกจากทุกข์เคยหมายคมว่าตาเนี่ยนะตัวตาเองเนี่ยถ้าบอกว่าตาตาเป็นเราเป็นการสร้างตาตาเป็นของเราก็เป็นการสร้างตามองว่าตาเป็นอัตตาของเรานี่ก็เป็นการสร้างตาแต่คิดตรงกันข้ามตาไม่ใช่เราก็มุ่งจะดับตา ตาไม่ใช่ของเราก็มุ่งจะดับตามองเห็นว่าตาไม่ใช่อัตตาของเราก็มุ่งที่จะดับตาถ้าคิดว่าตานั่นเป็นเรานั่นเป็นของเรานั่นเป็นอัตตาของเราถ้าเห็นแบบนี้บ่อยๆก็เป็นอุปาทานถ้าอุปาทานก็เป็นปัจจัยให้มีพบพบก็เป็นปัจจัยจึงมีชาติชรามรณะคือวิธีสร้างวัฏะถ้าวิธีดับวตฏล่ะบอกว่าตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาของเราเนี่ยนะ ก็เป็นอนุปัสนาเห็นว่าไม่ใช่เราด้วยอนิจจานุปัสนาเห็นว่าไม่ใช่ของเราด้วยทุกขานุปัสนาเห็นว่าไม่ใช่อัตตาของเราด้วยอนัตตานุปัสนาถ้าหากว่าเจริญตัณหาถ้าตามเห็นว่าตาเป็นเราเป็นของเราเป็นอัตตาของเราเนี่ยนะภวะตัณหาก็ บริบูรณ์ถ้าภาวะตันหาบริบูรณ์ก็นําไปสู่พบที่บริบูรณ์นําไปสู่โสกะปริเทวะทุกข โ, โทมนัตและอุปาญาตอย่างบริบูรณ์แต่ถ้าหากว่าเห็นว่าตาเนี่ยเป็นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาของเราด้วยอนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนานัตตานุปัสสนาจนบริบูรณ์ความเบื่อหน่ายในตาก็จะเกิดขึ้นความเบื่อหน่ายในตาเขาเรียกว่าเป็นความเบื่อหน่ายใน พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นตายไม่ได้หรอกที่ตามเห็นว่าตาแล้วเที่ยงจะบรรลุนิพพานเป็นตายไม่ได้หรอกที่ตามเห็นว่าตาเป็นสุขแล้วจะบรรลุนิพพานเป็นตายไม่ได้หรอกที่เห็นว่าตาเนี่ยเป็นอัตตาแล้วจะบรรลุมรรคผลนิพพานเขามีว่าตามเห็นว่าตาเนี่ยไม่เที่ยงเป็นปัจจัยจึงเกิดความเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดคลายกำหนัดได้เป็นชื่อของอริยมรรคถ้าตามเห็นว่าตานี่เป็นทุกข์ก็ย่อม เบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายก็คลายกําหนัดถ้าเห็นตาว่าเป็นอนัตตาก็น้อมไปเพื่อความเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายก็คลายกําหนัดเพรันภาวะทำเป็นที่คลายกําหนัดทำเป็นที่คลายราคะทำเป็นที่ปฏิเสธราคะทำมานั้นแหละเรียกว่าพระนิพพานนั้นปรับทัศนคติเ ร, เรียกว่าอริยมรรคเป็นชื่อของทัศนสัมปันโนเนี่ยนะอริยมรรคนีทัศนโถเป็นชื่อของความเห็น ปรับยังไงจึงจะเห็นมรรคในผู้ศาสนาเนี่ยนะวิธีการปฏิบัติในผู้ศาสนาปฏิบัติด้วยความเข้าใจถ้าเข้าใจเท่าใดก็ปฏิบัติเท่านั้นถ้าเข้าใจมากปฏิบัติมากถ้าเข้าใจน้อยปฏิบัติน้อยก็บอกโอ้ยอย่างงี้มันต้องไปนั่งแล้วคุณยืนอยู่หรือไปเดินจงกรมแล้วคุณนอนทั้งวันหรือมันก็ยืนเดินนั่งนอนอ่ะสําคัญว่ายืนแล้วยังไงว่ามีความเข้าใจที่ถูกต้องเดินยังไงแล้วก็เข้าใจในคําสอนอย่าง ถูกต้องเดินยังไงเห็นอริยสัจยืนยังไงเห็นอริยสัจนั่งอย่างไรแล้วเห็นอริยสัจนอนยังไงแล้วเห็นอริยสัจลืมตาเห็นยังไงเห็นอริยสัจด้วยตรงนั้นมันสําคัญที่สุดไอ้ตัวนั้นแหละเป็นข้อปฏิบัติเนี่ยเราจะปฏิบัติเห็นอริยสัจได้อย่างไรมันก็ต้องมาคิดอตาเป็นทุกขสัจจะตันหาที่สร้างตาเป็นสมุทัยสัจจะถ้าดับตาและดับตันหาได้เป็นนิโรสัจจะเห็นนิพพานได้ยังไงอ่านะ ถ้าคิดอย่างนี้เขาบอกว่าตาเนี่ยตัวมันเองก็เป็นวัตถุตาอย่างว่าพระพุทธเจ้ามองอะไรที่มองสี่ชั้นเป็นอย่างน้อยตาเหตุให้เกิดตาความดับตาข้อปฏิบัติให้ถึงความดับตาหรืออีกในหนึ่งอบอกอะไรเป็นอันาธาของตาอะไรเป็นความหวานชื่นเมื่อมีตาก็คือมีตาแล้วทาให้เกิดความสุขใช่ไหมได้เห็นบางอย่างแล้วมีความสุขดีใจมากหัวเราะราที่ได้เห็นอันนั่นแหละเป็น สมุทัยศาสตร์หรืออัศทะของตาและโทษของตาละ่ะการบำรุงรักษาละ่ะบำรุงรักษาตื่นเช้ามาต้องเช็ดกี่ตากันนะ น, นะก็บอกว่าอะไรอะไรก็ตามที่ไหลออกจากตาเนี่ยชื่อนี่เสียหมดเลยนะเสียหมดเลยเนี่ยนะเสียหายมากเลยเรียกว่าอะไรอุจจระตาเขาก็ไม่เรียกเพราะขนานี้อีกนั่นแหละเขาเรียกเลวกว่านี้เยอะเนี่ยนะก็สิ่งที่ไหลออกมาจากตานั่นแหละเรียกว่าน้ําตาบ้างถ้าเป็นก้อนๆเนี่ยเขาเรียกอะไรก็ว่าไปนะนะ แตกก่แล้วโทษของตานะมีแค่ไหนก็อย่างที่ว่าโหจกัก อ, อะไรนะจักสูแพทย์เลยใช่ไหมคุณหมอจักสูแพทย์เนี่ยบํารุงตาดูแลตาเนี่ยนะใครปวดตาเนี่ยใครเคยเจ็บตาแล้วจะรู้สึกว่าแล้วถ้าดูตาแค่อะไรนะถ้าพวกออกเชื่อมด้วยนะออกเชื่อมมาทั้งวันเนี่ยตาเนี่ยแบบเดง้งกล่ําแล้วก็ปวดมากต้องเอาน้ําแข็งเนี่ยมาโปนอนน้ำแข็งปกติเย็นอยู่แล้วนะแต่ต้องเอามาโปะนอนอนะ่ะแล้วก็โรคตาเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเจ็บ เรียกว่าปวดถึงดวงตาเนี่ยนะตาปวดนี่ไม่ใช่ว่าของง่ายใช่ปวดตาเนี่ยมันก็ปวดพอๆกับเจ็บใจนั่นแหละมันก็ใกล้ๆกันนั่นแหละเพราะน์ตาเนี่ยมันเป็นที่ตั้งแห่งทุกโทมนัตเนี่ยมากและดับตาก็เป็นดับทุกธรรมะที่ดับตาเนี่ยนะที่เราสาธยายในธรรมคุณนั่นแหละอันเดียวกันธรรมะที่ดับตาเนี่ยเป็นธรรมที่ไม่มีการเกิดขึ้นของดวงตาเป็นธรรมที่ปราศจากการเกิดของดวงตาเป็นธรรมที่ไม่ไม่เบียดเบียนหมายว่าถ้าตาสรู้แล้วตาเลิกเบียดเบียนแล้วเนี่ยนะ แล้วเป็นธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งแล้วไม่มีความโศกแล้วก็หมดจากความโศกถ้าคนที่เห็นพระนิพพานนะเห็นอะไรก็จะไม่โศกแล้วนะเมื่อเห็นพระนิพพานไปแล้วเนี่ยเห็นสิ่งเลวร้ายเคยเห็นพระได้ข่าวพระพุทธเจ้าร้องไห้ยพระพุทธเจ้านั่งร้องไห้อยู่ณนะที่ใดที่หนึ่งเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะพระองค์เห็นธรรมพระนินพพานเป็นที่ดับความร้องไห้ดับความโศกดับทุกข์ดับโทมนัสดับโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสเละ อุปาญาต์นั้นเราก็ตั้งใจว่าทําอย่างไรจะศึกษาประสบพบเห็นแล้วก็ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าเนี่ยตั้งเป้าหมายเพื่อการตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าเนี่ยนะมันก็บุญกุศลที่เราได้เรียนศึกษาพระธรรมศึกษาพระพุทธคุณพระธรรมคุณสังฆ ค, คุณก็ขอจงเป็นปัจจัยให้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าโดยทัวนกันวันนี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้ก่อน